คุณหลวงเห็นเขาเอาเงินขึ้นมาจบก่อนที่จะวางลงในขันด้วยเวลาพอสมควรไหมหนูอยากจะเป็นคนที่เป็นตัวแทนนำบุญของเขาเข้าไปถวายแด่องคหลวงตาหนูจำเป็นต้องทำทั้งเขาและหนูก็อยากทำบุญด้วยกันทั้งนั้นแหละก้นขันของหนูมีเสียสตางค์จำนวนมากนะผมฟังออสอธิบายในยสภาพที่ตัวออเองก็เหงื่อโทมกายผมเห็นด้วยกับออทันทีและเพิ่นเข้าใจออคนถือขัน